أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. و َ م َ ي َّ ت ب ِ ق ط ُ و َ ا ت ِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ ب ِ ا ل ْ م ُ ن ك َ ر ِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته و ا رحمته مزكينكم من أحد أبدا ما رحمته مزكينكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي م ن يشاء. والله سميع عليم. والله سميع عليم ولا يأتئل الفضل منكم. ولا ي أ ت و ل الفضل منكم. ساعة أيتول القربى و ل ق ر ب ى والمساكين والمهادرين في سبيل الله وللقربى والمساكين والمهادرين في سبيل الله. والعفو والصفح ألا أنكن أي أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أي يغفر الله لكم؟ الله غفور رحيم. والله غفور رحيم. إن الذين يرمون ا ل م ح ص ن ا ت الغافلات الغافلات المؤمنات لعنه و في الدنيا والآخرة الغافلات المؤمنات ل ع ن و ا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.يوم تشهد عليهم السناط و أ د ي ه م ي و م تشهد عليهم السناط وأئدّيهم. ไอเดห์ม وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذى و ف ي ه م <ت ص في ق> الله دينهم الحق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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أ م س ي ن, وب ن ا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك ل م ا ت ا ل ل ه ا ل ت ا م ا ت م ن ش ر م ا خلق ب س م ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا ي َ د ر ر م ع ا س م ه ش ي ء ف ي ا ل أ ر ض و ل ا ف ي ا ل س م ا ء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 วา ف าฟินีในบัซซุลี السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คืนนี้ที่ร่วมนมาสซุบที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นเราชุกรต่ออัลลอฮ ا ن ه และุ้อัลลภาษานะครับที่ควรจะใช้ก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ ครับให้บ่าวคู่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกคนเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ให้กล่าวคํานี้อัลฮัมดุลิลละพอเรากล่าวคํานี้เนี่ยมาลายิกาก็จะต่อให้รอบบุลาเรมีพอเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละมาลายิกาก็จะกล่าวต่อรอบบุลาเรมีเมื่อเรากล่าวว่า الحمد لله رب العالمين ะขอ ك أتخدعون اللهummغفر ل ع ب ล د อ أو الله โปรดอภัยโทษให้แก่บ่าวของท่านด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮ์คนลุงอามุสลิมเนี่ยจะก่าวอะไรก็ตามเนี่ยเป็นของดีหมดเลยกาแค่อัลฮัมดุลิลลา์อย่างเดียวมลายกาก็เติมให้ รอบดุลอาเลมีนพอเบ่าวคนหนึ่งพูดจบประโยคเลยอัลฮัมดุลิลลาฮุรรบิลอาเลมีนภรกยาก็กล่าวตอบอัลลอฮุมักฟิดลีอับดิกะโออัลลอฮ์โปรดประทานอภัยโทษให้แก่เ บ, บ่าวของท่านด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮ์ถ้าหาบ่าของอัลลอฮ์กล่าวคํานี้แหะสุบฮาน ล, ละลอซึ่งเรากล่าวแล้วเมื่อกี้หลังจากให้สลามใช่ไหม สุบฮานล l a อหกก็จะกล่าวต่ออีกอัลลอฮฺอักบะะมเลก้าที่อยู่ที่ราเนี้นะพอเรากล่าวว่าสุบฮานลลอ์มกก็จะกล่าวว่าวบิฮัมดีพอเรากล่าวว่าสุบฮานลลอ์วบิฮัมดอัลลอฮ์ก็ให้มกกล่าวว่าอัลลอฮมักฟิอบดิกโออัลลอฮ์โปรดประทานอภัยโทษให้แก่บาของท่านด้วย <mister isation> ให้กำลังใจพี ah ่น้องมุสลิมว่าทั่วโลกนี่นะครับว่าเวลาเรานึกถึงอัลลอฮ์นี่นะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบนะครับขอบคุณอัลลอ์นะท่านอิบนตัตมิยานะเชคุลอิสลามอิบนตัตมิยาท่านกล่าวบอกว่าให้เรากล่าวคำนี้เยอะๆในช่วงที่เราถือสิ้นอดเนี่ยลาฮาลวากาวะตตอิลลาบิลแปลว่าอะไรครับ ไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดนอกจากที่มาจากอัลลอ์เท่านั้นวันที่อัลลอฮ์สร้างบัลลังอัลลอ์เนี่ยอารัชเนี่ยมันใหญ่นะล้วก็หนักด้วยพอสร้างเสร็จอัลลอ์ก็สร้างมาเลย์กามากลุ่มหนึ่งเพื่อมาแบกบัลลังในวันกิยามะเนี่ยมาเลย์กาอย่างน้อยแปดองค์แบกแบกบัลลังอัลลอ์มาเลาย์กา ถามว่าฉัานแบกไม่ไหวแล้วมันหนักอัล์เราก็บอกว่ากล่าวคำนี้สิลาเ้าลาวลาคู่วาใะอินละบินลพอกล่าวคำนี้แล้วแบกไหวต้องการเช็กอิบุตไตมียะเซคุลอิสลามอิบุตไตมียะอธิบายบอกว่าพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกหนักอ ก, ห น, กหนักใจงานนูน้นงานนี้ที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยมันรับไหว้บ่าเนี่ยเรางานอย่างนี้ ถ้ารับไม่ไหวก็ใ <c> ห <oughs> ้กล่าวคำนี้แหละลาเขลาวลากรวตเอ็นไปแล้วทำให้งานใหญ่ยยกลายเป็นงานเหลก็กงานหนักทำให้การเป็นงานเบาอย่างนี้เป็นต้นครับท่นมันต้องใจมันต้องกล่าวด้วยหัวใจที่นั้นนะนอบนอ้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลครับ <c oughs> วันนี้อายาที่ยี่สิบเอ็ดในสุรออันนูรสุรออันนูรเนี่ยท่าน เออ eh ไซนาอุมัดรอติยอลลาะของอันโดยเขียนจดหมายเมื่อตอนที่ท่านยังเป็นผู้ปกครองอยู่สิบสองปีเนี่ยท่านเขียนจดหมายไปข้าราชการมุสลิมทั้งหมดนี่เราบอกว่าให้สอนให้ภรรยาให้ลูกสาวที่บ้านนี่ยอ่านคุรานสุรานี้เยอะๆพร้อมก็รู้ความหมายเพราะว่าสุรานี้เนี่ยพูดเรื่องมารยาทหมดเลยว่าการมินทากันใส่ร้ายกัน เป็นเรื่องเลวทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมต้งแนะนําให้ผู้หญิงอ่านนี่ยพอไอ้เรื่องเรื่องว่าว่ากันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ผู้ชายก็เยอะนะแล้วผู้หญิงก็ยเยอะหน่อยผู้หญิงที่ดูละครเยอะเนี่ยนินท้าเกง่งแต่ผู้หญิงที่อ่านกุ้อ่านเยอะๆหน่อยมันก็มันก็เบาลงนะสามีดีหน่อยก็เธอเธอเงียบเงียบอย่าคุยเรื่องชาวบ้านนักเลยมันเป็นอย่างงี้มันดีตอนที่ว่า ถ้าทุกคนเอาศาสนามาใช้เนี่ยมันดีฉะนั้นพยายามให้ผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะจะเป็นภรรยาเราลูกสาวเราหลานเราให้เราอ่านคุณอาสุรา น, นุเนี่ยเยอะๆพร้อมกับรู้ความหมายนะครับเอาวันนี้มาอายะที่ยี่สบ็ดนะครับอัลฮัมดุลิลละอียุฮัลลาดีนาอามานูลาตัด ت ب ع و ا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولو لا فضل الله عليكم ورحمته. ما زكّمكم من أ ه د أ ب د ا ولكن الله يزكّي من يشاء، والله سميع علييم. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن ي َ ت َ ب ِ ع خ ُ ط ُ و ا ت ِ ا ل ش َّ ي ط ا ن ف َ إ ِ ن ّ ه ُ ي َ أ م ُ ر ُ ب ِ ا ل ف َ ح ْ ش َ ا ء ِ و َ ا ل م ُ ن ك َ ر ولو لفضل ا الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزك ي من يشاء والله سميع عليم คำดูลิเลอร์อ้ายานี่สอนเรานะสอนพี่น้องนะผู้อ่นานคุณอ่านนะก็หลายประเด็นด้วยกันเอาค่อยๆดูศัพ์ไปนะค็ยะอิยพันละดีนะอามานูบรรดาผู้ที่อีหมานเอ๋ยพวกเราเนี่ยคนอีหมานทํางานเหนื่อยนะทํางานตามที่อลัลลอฮ์สั่งกันเหนื่อยไหมอลัลลอฮ์แค่รอมาดอ น, นี่ก็พอบ่ายสี่โมงทองมารองจอก แย่นะแย่แต่เราอดทนไม่อดทนกลางคืนนมาศอีกอัลลอ์เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่านกุรานอีกต้องยับยังอะไรแต่อะไรอีกเยอะแยะไปหมดเนี่อย่าอายุพันล้านอมนุอบบรรดาผู้ที่มีมานเดอร์นี่อัลลอ์สั่งนะและตัตบีอูตัตเบียตเะวัดปฏิบัติตามและตัตเบีอท่านทั้งหลาย นะครับอย่าปฏิบัติตามนะจงอย่าปฏิบัติตามอย่าเดินตามนะครับอย่าเดินตามอย่าปฏิบัติตามอะไรครับคูตวัวคูตวัวแปลว่ารอยเท้ารอยเท้าคูตวัวแปลว่าเท้าเนี่ยก้าว คุณลูคุดวดตินตามชีฮะอิลสตละทุกทุกก้าวที่เดินมานามาที่มัสยิดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์อัลลอฮ์นบีมันดะพูดว่าเดินไปซีคอนแต่ผลลบุญไม่บอกบอกว่าใครที่เดินมามัสยิดได้ผลลบุญเห็นไหมอัลลอฮ์ประกายิ่งใหญ่เหลือเกินดังนั้นเรียนศาสนานี่ททำให้ใจมันสงบจริงๆนะลาตาตาเบท่านทั้งหลายอย่าเดินตาม ครูตัว่าตัว่ารอยรอยเท้านะของใครนะอัชชายุตตอนอย่าเดินตามรอยเท้าของชายตอนอัลลอบะฮาตุลลอฮฺชตอนเนี่ยรู้มัต้องแปลใช่ไมชายุตตอนว่าตัวมารเนี่ยอย่าเดินตามตัวมารแล้วตัวมารเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรอ่ะถูกมาจากไฟแล้วมลรายการถูกสร้างมาจากรัศีมี แล้วก็ยินถูกสร้างมาจากเปลวไฟมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินทู้สิเอาเราสร้างมาแต่ละอย่างอย่างเล่าให้ฟังด้วยฉันสร้างมนุษย์มาอย่างนี้นะสร้างยินอย่างนี้นะสร้างไทรตอนสร้างมลิกะทีนี้ถ้าใครที่เดินตามไทรตอนนะเป็นยังไงครับว่ามายาตาบีรผู้ใดที่ปฏิบัติตามรอยเท้าคูตัววติดชัยตอน รอยเท่าของไสกรฝ่ อ, อินนาูแท้จริงแท้จริงไสตอนั้นมันจะทำหน้าที่สองอย่างถ้าเราเดินตามมันนี่นะยะมุรุมันจะสั่งชายมันจะเสียมสอนโอ้มันจะสั่งชายมันจะเสียมสอน เรื่องอะไรรู้ไหมสองเรื่องเร็วๆฟ้าแฉแปลว่าลาโมกเรื่องลาโมกทั้งหมดมาจากสายตอนหมดเลยและอีเรื่องหนึ่งวันมุงกัดและเรื่องชั่วช้ามาจากสายตอนนี่ใครล่าจะได้ฟังเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังอนะให้มุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะใช้ปั ญ, ญให้แยกแยะระหว่างความดีกับความชั่วความชั่วมาจากไหนมาจาก ยตอความดีนึกเองมาจากไหนมาจากอัลล์แต่นี่ตัวแทนของอัลลอฮ์คืออะไรกัอยู่ในตัวเราทั้งหมดเนี่ยในเดือนอามอนเนี่ยอัลลอ์ต้องการอย่าให้เราเดินตามสายตอเลยเพราะสายต่อเนี่ยมันทำหน้าที่สองรายการมันเสี้ยมสอนแล้วมันก็สั่งช้ทนี่สายต่อเวลามันกระซิบเนี่ยถามกระซิบที่ไหน ชายตัวมันก็ซิบที่ไหนใช่ไหมหลายคนตอว่าก็ซิบที่หูไม่ใช่กะซิบที่หูนะภรรยาเราตัวเรานก่ก็ิบ I love you พูดที่หูกันะนะแต่ชายตัวมันกะสิบที่หัวใจอะอาา้าวอายาไหนวะก็ซิบที่อหัอลลวใจ Alladiyu Aswi Sufi Sudurinas นั่นชายตัวนี้อัลลอเล่าให้ฟังเลยนะว่า ชัยตอนเนี่ยมันกระซิบกระซาบที่หัวใจของมนุษย์เลยเห็นยังครับนี่ไงกุรอานที่ทางนำอธิบายให้เราเข้าใจ ง, ง่ายๆอย่าหมด้วยเลยละพะยาเราคนเนี่ยกระซิบกันที่หูสูงสุดกันหูและเต็มที่แล้วแต่ชัยตอนไม่มาเล่นที่หูมาเล่นที่ไหนครัวใจเลยอ๋อรอให้มาอันแรกที่อยู่ว่สุฟีสุฟีสุดรินัส ي َายอُนนาหูยะโมโรบิลِราชัยวัลมุงกตทีนี้นมาตุเหมือนกันคนที่รักษานมาตครบวันละหเวลาเนี่ยนามาตุมีความสามารถยับยั้งของสองรายการนี้ได้ด้วยนะครับฝَายอินนกโซละถ้าจริงการนามาตุนั้นมันยับยั้งตัาอนิลฟาชยวัลมุงกตฉะนั้นนามาก็ใช้ตอนเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ ชาตอนเห็นนมาดมาชันไปแล้วมันเห็นคน น, นมาเนี่ยมันโอ้โหไม่ชอบเนี่ยแล้วมันยุให้คน น, นมาอย่างน้อยให้มันลืมบ้างก็ได้เอ้นามาเกียรติระคัดสร้างความสับสนที่หัวใจให้มันลืมๆอย่างนี้เป็นต้นเวลามันลืมแล้วพอมาสุดยู่ซาวีมันเสียใจต่ออีกแมมาสดยู่ซาวีต่ออีกกูทาให้มันลืมอยู่แล้วเนี่ย ก็ที่บางคนนี่นะเราเวีก็ลืมอีกมีไหมมีนเนี่ยเด็กกจะมา ส, สุดยอดเศร้าเวยหน่อยพอเจอเ้าเวจิกลึกอีกมันนึกได้ตจนให้สลามแล้วอ้าสุอยู่ต่อชัยตอนมันก็เสียใจอีกตัวร้องว่าชัยตอนนี่มันทําหน้าที่สองรายการหนึ่งเสี้ยมสอนคนให้ทําเรื่องลามกแลกว้วก็เรื่องชั่วช้าแต่ที่ไอ้สิ่งที่ย่ามย่างลามกกับชั่วช้ามีอะไรอสโลมีการน้ำมา มันต้องนำมาด้วยคูชัวที่มามอ่านเมื่อกี้เนี่ยอ่านนั่นนำมา ต, ตะกี้เนี่ยพูดดีมากเลยนะก็จะอัฟราฮัลมุมินูคนที่เป็นมุมินนั่นเขาจะรับความสำเร็จแล้วแต่ที่คนที่จะรับความสำเตร็จต้องอะไรอัลลาีนะฮุมฟีโซลาที่หิมคอเชยานนต้องนมาดแบบนี้คุชัวคชหมายถึงด้านหัวใจถ้าคูดัวเนี่ยหมายถึงด้านร่างกาย แต่ acting เนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อาย่ญญานี้มีทั้งหมดประมาณสิบอายาเนี่ยอายาสุดท้ายของอายุสองส่วนนี้ก็คือวันละดีนะฮุมคนที่รักษานามาขึ้นนามาด้วยท่าทางที่กุชัวนะั่นหนึ่งหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งอย่างนะแล้วก็รักษาเวลาอีกอพอเข้าเวลาปั๊บรีบนำมาเลยนั่นแหละเป็นคนที่อุลอัยกะฮุมูลวาริสุน เขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้มรดกก็คือสวนสวรรค์ของ Allah อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาเนีนะครับอัะนี้อยาไอวัลลาดีนะอามานูท่านทั้งหลายอบรรดาผู้ที่มีอม م า ن เอ๋ยจงอย่าเดินตามรอยเท้าของไซตอนผู้ใดที่เดินตามรอยเท้าของไซตอนสังเกตนะครูตวาดเเป็นพระหุพ์ พหูพจน์มเอเอกพจน์นะครูตัววาเป็นพระหู พ, พนะจนร์รอยท้าของสายตอนมันมีอยู่หลายก้าวอุลามาบางคนอธิบายบอกว่าเรื่องนี้นะ่ะหมายความว่าไงนะไม่ให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสูงสิงกันดีไหมไม่ให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสูงสิงกันเกินขอบเคตจะนั่งลูกลูกสาวเราแล้วก็ดูแลให้ดี เรามีลุงชายก็ต้องอบรมลุงชายให้ดีอย่าให้สูงสิ้นกันเกินเกินขอบเขตผมอ่านจากตัฟซีดภาษาอุรดูเนี่ยเขาพูดดีนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ชัยตอนมันเป่าหูคนสำเร็จไปเยอะแล้วครึ่งโลกกว่าชัยตอนนี่นะมันกระซิบกระซาบี่หัวใจของมนุษย์สามารถสำเร็จไปครึ่งกว่านะ โดยให้ผู้หญิงกับผู้ชายเรียนหนังสือรวมกันเรียกไรนะมัลลูดโคโคอิดเกชันอะ่ะให้ผู้หญิงกับผู้ชายมาเรียนหนังสือปะปนกันะใครทําสําเร็จนะย ahu ดีทําสําเร็จนี่เดินตามเท้าของไซตตอนเรื่องที่สองโรงพยาบาลกรรมการประปนกันผู้หญิงผู้ชายนั่นเข้าตากรรมการหมดเลยเอล๋อ อันที่สามนะบอลลูมที่พวกฝรั่งก็ทํากันนะให้ผู้หญิงผู้ชายมาเต่นรํากันอะไรกันสําเร็จไปแล้วครึ่งโลกแล้ววันนี้สํานึกตัวกันเยอะนะโอ้ฉันเนี่ยทาผิดอยู่กับผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อยู่กันโดยไมาจะแต่งงานก็นเยอะแยะไปหมดเนี่ยเดินตามไตรตอนทั้งหมดเลยอีกคนหนึ่งอธิบายบอกว่าหญิงกับชายเนี่ยสูงสิงกันเกินขอบเขตก็เป็นที่ห้ามของอิสลาม อย่ากให้ผู้หญิงผู้ชายมานั่งสูงสิงกันเกินขอบเขตเอาล่ะ น, นี่ไปทำอธิบายของใครนะครับอุลามะตั้งบทนะเอาอายานี้มาอธิบายให้เราเข้าใจง่ายงา่ายต่อมาครับว่าเราละฟอบลุลลอฮิอาลัยกุมวรห์ห์ห์มะวรห์ห์ห์มะตุถ้าหากเราลาเนี่ยถ้าหากไม่ ฟัตฮุลลอฮแปลว่าความโปรดปรานถ้าหากไม่ใช่ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์อาลัยกุมแก่สูเจ้าวรหมาตุหูและความเมตตาของพระองค์มาจากามิานคุมมินอาฮัดินอาบะดะมาจาการจการแปลว่าสักฟอก นะครับไม่มีผู้ใดเลยในหมู่สูเจ้าสะอาดได้หรือผ่องแผ้วได้ถ้าหากไม่ใช่ความโปรดปานของอัลลอฮ์ไม่ใช่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วไม่มีใครสักคนหนึ่งบนโลกดุนยาเบ น, นี้สามารถทําตัวให้สะอาดได้ถ้าไม่ใช่เพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าไม่ใช่เพราะความ โปรดทานของอัลลอฮ์ไม่มีใครสามารถสะอาดได้สักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีแล้วเนี่ยอย่าอ้างตัวเองว่าฉันฉันแน่แล้วโอ้ฉั น, นี่ชั้นหนึ่งเลยนะกลับมาอยู่ในาศาสนาของอัลลอ์ฉันมาหนามามสิตค่อนข้างจะสม่าเสมอฉันนี่อ่านอกุรอานประจําคุยคุยฉันนี่ถือบวชไม่คาด ฉันอ่านกรุงอ่านจบแล้วสองจบแล้วนะผู้ที่ให้ท่านเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเนี่ยตัวเราเองไม่ว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์นต้องนึกถึงอัาลลอฮ์อะเยอะๆอย่าคิดว่าตัวเองแน่ฉันแน่แล้วแน่แล้วจะท่านห้ามคุยทับห้ามคุยทับว่าฉันแน่ฉันเก่งฉันนี่สะอาดบริสุทธิ์อย่าไปคุยใครว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลา์ขอบคุณอัลลอ์ สุบฮานะลอตชมอัลลอฮฺุบฮานะหุวาตาลานี่คุณอานญานให้สอนถ้าไม่ใช่เพราะความเมตตาวาลาอุล่าฟาดุลลอฮฺอัลเลาะห์ยอัลเลาะยิุมบะรรหมัตุฟาดุลลอฮฺเป็ความโปรดปานของอัลลอฮฺรหฮมะความเมตตาถ้าไม่ใช่ด้วยความโปรดปานของอัลลอฮฺแก่สุเจ้าและความเมตตาต่ออัลลอฮฺแก่สุเจ้ามาจากามิ่งกุม มินอาฮาดินอาบะดาอาบะดาแว่าสักคนหนึ่งก็ไม่มีนะคนที่จะทำความสะอาดตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ตัวเองได้นะ่ะใครช่วยอัลลอ์ช่วยท่า น, นต้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอ์เล่าเองนะมนุษย์ไม่สามารถซักฟอกตัวเองให้สะอาดได้ถ้าไม่ใช่ความโปรดปราของอัลลอ์สุบฮานะฮูะตาลาใช้ตอนอยู่ในตัวเราเป็นอิทธิพลแค่ไหนเนะี่แต่ถ้าเรามีอัลลอ์ หันมาเรียนศาสนาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หมดเลยนะครับวะแลกินอัลลอฮ์ยู่กีม่ยาตรงนี้ดีมากครับแต่ Allah, อัลลอฮ์วะแลกินัลลอฮแต่อัลลอ์นั้นสงสักฟออัลลอฮ์ทำทำให้สะอาดผู้ที่พระองค์สงประสง นี่อัลลอฮ์เลือกแล้วนี่เนี่ยที่มานั่งอยู่ในบัสจิตวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ยกมานะเนี่ยยกมาเนี่ย <laughs> อัลลมาอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มาอ่านคุรานมาถือศีลอดมาอียติกามาดิกรุลลอมาหนม า, ามาควบค่าเวลาลอาัลลอฮ์เลือกมาเขาเรียกอิสติยาดเลือกมาแล้วเลือกมาเลือกมาต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยส่วนใหญ่อัลลอฮ์ให้เจริญหมดเลยนะครับ ต่อมาครับไมยะชะอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์เลือกใครก็ได้ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์นะครับว่อัลลอฮฺสัมย์อัลลีมและอัลลอฮฺประสงค์ได้ยินสเมย์แปลว่าได้ยินแล้วก็อีกคำหนึ่งอาลีมผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์จะยินหมดเลยเราคิดอะไรพูดอะไรอัลลอฮ์จะยินหมดไปน้อง เนี่ยทำให้าราเลนะมีความเกรงกลัวต่อ Allah, ตอัลลอ์สุบฮานาหูบาาลาอาย่านี้ต้นงจจะอธิบายอย่างนี้สรุปนะ <c oughs> คนจะเป็นคนดีได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นคนคนคนชั่วมาก่อนใช่หรือไม่ใช่บางทีเราก็อยู่ในาศาสนาอื่นมาก่อนกว่าจะรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์วัดวผ่านวัดผ่านโบสถ์ผ่านบ้า ผ่านในครับผ่านของฮะรามเต็มไปหมดเพราะจะมาเจออิสลามอัลฮัมดุลิลละใครครับใครชีนช้นาอัลลอฮ์ชี้นาทั้งหมดเลยนแต่นั้นเราต้องสุกรต่ออัลลอ์ขอบคุณอัลลอฮ์ซกรุลละนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะอัลลอ์นั้นสามีองนได้ยินเสียงที่เรานึกอยู่ที่เราพูดอยู่แล้วก็อัลลอฮ์ทรงรอบรู้อัลฮัมดุลิลละนะครับ คนที่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นน้องครับต้องเตาบ้าตัวก่อนนะพอเตาบ้าตัวแล้วถึงอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เตาบ้าอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงการเตาบ้าทํายังไงเตาบ้าทั้งหมดจะมีอยู่ห้ารายการรายการที่หนึ่งเขาจะอันหน้าดำให้เสียใจในความผิดที่ทํำมาในอดีตเรื่องที่สองอิกร่าหมายถึงถอนตัวออกจากความผิดอันนั้นไม่หันกลับไปทําผิดเหมือนเดิม อันที่สามอัลลาห์อยากเดไม่กลับไปหาความชั่วเหมือนเดิมที่สามข้อข้อที่สี่สแสวงหาความรู้ที่มาจากอัลกุรอานและที่มาจากสุนนะนบีอย่างที่ทำคันอยู่ขนาดนี้แหละหาความรู้เพิ่มเติมข้อที่ห้าคบคนดีๆเลือกคนดีๆคบสำคัญนะถ้าเราเลือกกลุ่มคนดีๆเนี่ยมันช่วยกันดึงเราได้ นะครับแค่มาตหฮัตยุทธเนี่ยอรอถ้าว่างานเบาหรืองานหนักงานหนักคนอื่นบุกนาถีบแน่แต่คนนี้เออพวกกันเอาเอาความเก่งโอกเกณฑใจมันมีจนเลือกกลุ่มปาร์ตี้ที่มันดีๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันพี่น้องสามารถที่จะช่วยพยุงเราไม่ให้ทำความความชั่วดแล้วโอกาสจะทำความดีก็ง่ายดูแลฮมดูลิลลอัอัลลบาออับัเอาต่อมาอายะห์ที่22 ولا يتألول الفضل منكم والسعة أيقطول القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله و ل ي ع ف و و ل ي ص ف ح و ا อลาตุฮบุนให้ยกราหูละกุมวะลลาหูกรฟุรุรฮิมอัลฮัมดุลิลลอฮฺอัลลอฮฺอัลกุบด์ยิ่งใหญ่ยานิวลาเยตเลอุลุลฟัตซ์ลิมินกุมวัสสัตติอิยุตุลิลควรบะ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليَعْفُوَ وَالْيَصْفَحُ أ ََ ا تُحِبُّنَ أ َ ن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ أَكْبَر อายานนี้นะครับต้องาการจะอธิบายอย่างนี้คนที่ถูกถูกทวกดานะคนที่ถูกตํามนิคนที่ถูกปักปรำงานแน่นอนมันกระเทือนกระเทือนไหมกระเทือนแล้วทําไงให้ให้อภัยทําได้ไหมแต่ซอบ้านอับีสามารถทําได้ ขนาดถูกเล่นงานหนักๆเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าให้ให้อภัยเธอรับทำเลยนี่เมื่อสอฮาบานะบีเพราะฉะนั้นบรรดาสอฮาบานั้นจึงบุคคลเป็นบุคคลตัวอย่างจริงๆสําหรับพวกเราวันนี้ไม่มีกลุ่มไหนในโลกนะครับที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วราซูนเท่ากับบรรดาสอฮาบานของท่านนบนีนะครับเอามาดูกุรานวายะตัลียะยะ ยะตาลิมาจากสับว่าอิติลาอิติลาแปลว่าสาบานการสาบานว่ลาละยะตาลิจงอย่าให้เขาสาบานใครสาบานครับอูลุลฟาดุลีผู้มีเกยียรติผู้มีเกยียรติอูลุลฟาดลีฟาลุลเดิมแปลว่าความความความโปรตานแต่รอตการจาจะอธิบายว่า คนที่มีความรู้เรียกว่าคนมีเกียรติคนที่ทำอามันฑอิบัดดัตสมาเสมอเป็นคนมีเกียรติคนที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์เป็นคนมีเกียร ต, นต Allah, นนยรินะครับอันที่สองวัสซาติสะเดิมแปลว่ากว้างขวางที่นี่หมายถึงมั่งคัง่งมีเงินมีทองเยอะ นี่อ hm hm hm ัลลอฮ์เตือนคนสองกลุ ika, ok ่มนะกลุ uh ่มที่หนึ่งกลุ่มคนที่มีวิชาความรู้ที่เข้าใจอัลอิสลามที่ทําอามัอิบาดัตสมันเสมอแล้วก็ إ ي م า ن ต่ออัลลอฮ์ إيمان ต่อระซูน إ ي م า ن ต่อมัลาอิกะ إ ي ม ا ن หกข้อนี่นะครับอัลลอฮ์ยกย่องว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่มีอะไรนะอ้าอัลลอฮ์เป็นคนเป็นคนที่มีเกียรติอัลลอฮ์ยานาะตเป็นคนที่มีเกียรติอุลุลฟัฟบลีแปลว่าผู้ที่มีเกียรติ วัตถะทีผู้ที่มีความมั่งคั่งมิ่งกุมในหมู่สูเจา้าอ๋อเนี่ย อ, อร่ยอยย่อกย่อมนะย่อกย่อมคนอยู่แล้วย่อกย่อมคนที่มีอิมานตอัลลอฮ์ที่มีการศึกษาดี อ, อร่อยอัลกุรเรียนอัลกรุรอานท่องจาบัลกรุรอานอยู่ในหัวใจหมดเลยอ่ะอ่านฮะดีสเยอะๆไปน้องก็ไปไหนมาไหนก็พาอัลกุรอานพาฮะดีสไปด้วยขึ้นยังบินก็พาไปด้วยใช่ไหม อุณหัวใจของคนที่มี إ ي มานต่ออัลลอ์อัลลอยกพูด่างไงนะจงอย่าให้ผู้ที่มีเกียรตในหมู่สูเจ้าและผู้ที่มีความมั่งคั่งมีเงินมีทองเนี่ยอายุตูที่จะสาบานว่าจะไม่ให้หมายถึงจะไม่ช่วยเหลืออุลิลกูรบแก่ญาติสนิทแก่ญาติสนิท วันมาสาคินและคนขัดสนวันมุฮัจิรินาฟซาบิลละและผู้อพยพในหนทางของอัลลอฮฺอัลลอฮฺต้องการจะสอนคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับท่านอบูบักเนี่ยเป็นพ่อของท่านหญิงอาอิช่ารดิยลลอฮฺวานเธแล้วก็คนที่สายรายท่หญิงอาอิชาเนี่ยนําโดยท่านอับดุลลอ อิบนุซาลูหัวหน้ามุนาฟิกปักปราำท่านหญิงอาอิชาวะทามชูและคนที่เล่นด้วยมนะีมิสโตมิสโตนี่เป็นหลานท่านอบูบักรมาจากมกกะกาเหมือนกันนบีก็ามาจากมกกะกาท่านอบูบักก็ามาจากมกกะกามิสโตก็ามาจากมกกะกาชาวมกกะกาอยู่กันมาอยู่ที่นครบรนนะดากันเองเล่นกันเองสนุกไหมละ่ะ <laughs> อย่างพวกเราชาวกรุงเทพไปอยู่ยะลา ไปทะเลาะ ก, กันเองแล้วเป็นยังไงอ่ะเนี่ยมันเสียหายอ่ะแต่ท่านท่านอบูบักเมื่อถูกท่านหญิงลูกสาว ถ, ถูกตัวเองถูกฟิเจนาว่าทําชู้เนี่ยมิสตะร์เนี่ยคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานตัวเองเป็นท่านอบูบักนี่ช่วยการเงินมาตลอดเป็นคนจนๆจนคนหนึ่งมาจากมกะกะท่านอบูบักนี่ช่วยด้านการเงินมาตลอดอาหารเสื้อผ้าดูแลมาตลอด พอมาเล่นงานลูกสาวตัวเองแล้วน่าช่วยไหมละ่ะกาไม่อยากจะช่วยก็ท่านเลยสาบานว่าตั้งแต่วันนี้ไปฉันเลิกช่วยสาบานต่อรอนนะ่ะเลิกช่วยหลานตัวเองแล้วมาใสารา่ร้ายที่ยิงอาช า, อ, าอัลลอห์ว่ก็เลยสาบานต่อรว่าฉันเลิกช่วยไม่ช่วยแล้วแต่นี้พอเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วมาถึงอลัลลอ์รับรองว่ายิงอาชาสะอาดบริสุทธ มันผ่านไปนานแล้วอ um ัลล์ก็ประทานอันก ah ุรอานลงมาวาลายตาลิอุลฟาบลีมิ่งคุมวะสัตติอายูตูลิลกูร์บะวลมาซาคีวลมูฮัจีนอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเตือนนบีบอกว่าอย่าให้คนที่มีเกียรต และมีความมั่งคั่งในหมู่สูเจ้าเช่นท่านอบูบักอัสติดดกปฏิยาโลหวานุสาบานที่จะไม่ให้สิ่งใดจุนเจอือแก่ใครนะอูลิลกูรบาญาติสนิทท่านมิสตอเนี่ยเป็นญาติสนิทของท่านด้วยนะแล้วก็วัคที่สอนวัลมาซากีนและเป็นคนขัดสนด้วยมิสตอหมดเลยมิสตอเป็นญาติสนิทของท่านอบูบักมิสตอเป็นคนขัดสน แล้วก็วัลมูฮาดีๆและคนที่อบพยพจากมักกะมาอยู่ที่นครมรินะสามรายการอยู่ในตัวคุเดียวเลยหรือคนทั่วๆไปก็ได้นี่พูดเตือนอนะไว้ไงฟีซาบีลิล้ในคนทางของอัลลอฮ์ตกลงว่าอัลลอฮ์เตือนคนทั่วๆไปเมื่อถูกรังแกถูกด่าถูกฟิตะนาแล้วอย่าเครืองนานบางคนเครืองสิบปีและพูดว่าตายฉันไม่เยี่ยมมีไหม มีแล้วได้ผมจะยืนเรื่อยอ่ะเอ อ, อนี้ตายนะไมเยี่ยมเยีมมาแล้วตัดขาดกันอิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมกับมุสลิมตัดขาดกันนาน่ะไอ้กูไอ้อะไรนะไอ้โกรธนะโกรธได้แป๊บๆนบีพูดย่าไงนะอย่าให้โกรธกันกี่วันสามวันทําได้ไว้แหละบางคนสามปีสามเหมือนกันจะ่สามปีอย่างนี้เป็นต้นนะอทีนี้ทําไงครับ วันยาฟูจงให้อภัยอโลงานนี้นะงานใหญ่นะพูดง่ายแต่ทำยากคนทำได้มีไหมมีใครครับท่านอบูบากซอ บ, บานอบดุลเบิดทำสเร็จแล้ววันนี้มาถึงพวกเราทำได้ไหรือไม่ได้มาถูกเล่นงานเยอะๆถูกดา่าลูกสาวเราถูกดา่าไม่ช่วยแล้วมีไหมมีครับ แต่อัลลอฮ์สั่งวัลยาฟูจงให้อาภายัยอัลลอฮฺอักบัดแล้วก็ต่อมาครับวัลยาสฟหาหุสอฟ้าแปลว่ามองข้ามมองข้ามบางท่ามองไม่เห็นมันก็ได้ฉะนั้นอาจารย์จะมองข้ามหรือให้อาภายัยต้องหวังรางวัลจากใครถ้าไม่หวังจากอัลลอฮ์หวังจากมนุษย์นะไม่มีแรงสักคนหนึง่งถ้าหวังจากอัลลอฮ์แรงมาเออเ อ, อทําจารย์ ท, ท, ทได้นะทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูบัดอัลล ตกลวงว่าอัลลอฮ์สั่งนะให้ให้อาภัยแล้วก็มองข้ามอัลลอฮ์กาต่อไปอีกอาลาัลลตูฮิบูนไอยัฟิรัลลอฮุละกุมสู่เจ้าอยู่ให้บูญแปลว่าชอบตูวให้บูญแปลว่าชอบสู่เจ้าไม่ชอบหรือไอยัฟิรัลลอฮุละกุมที่อัลลอฮ์จะทรงอาภัยสู่เจ้าอ่า คุณชอบหรือไม่ชอบที่อลัลลอจะทรงอาภัยให้กับท่านถ้ามนุษย์อาภัยก่อนอลัลลอก็จะอาภัยให้ทีหลังสามีภรรยาก็เหมือนกันวันนี้บางคนถืออัคติเมียต้องงอผัวเอา้าถ้าเงียมไม่งอกอก็ทะเลาะกันทั้งวันถูกที่ไหนให้อาภายอัยอ่ะเนาะ ฉันคนที่ให้ก่อนเนี่ยคนนั่นอยายุใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มากกว่ายิ้มก่อนทักก่อนคุยก่อนให้สลามก่อนจับก่อนอัลลอฮ์วะวะนี่ฝึกฝึ ก, กตั้งแยูนคนในบ้านก่อนนะอิชชาลอแน่ปัญหาแก้ได้หมดไหมแก้ได้ถ้าเอาหลักการอิสลามไปใช้ฉะนั้นบรรดาสวบยาบีถูกเล่นงานหนักๆเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์สั่งปั๊บทําเลยอภัยเลยแล้วก็มองข้ามด้วย วักนี้ฮะอลาตุฮิบูนอายะฟิรัลลอฮุละกุมสูเจ้าไม่ชอบหรือที่อัลลอฮ์จะทรงอภัยให้กับสูเจ้าพอท่านอบูบักรได้ยินอายะนี้นะวักนี้ลงมานะท่านรีบกล่าวเลยเขาบอกว่าวลลอฮิอินนีอูฮิบูอายะฟิรัลลอฮุลีอิมัมเด็กใครมาบุคคลีกกับมุสลิมนะ เมื่อท่านอบูบักเดยินอายานี้อัลละตุฮิบูนะอายะฟิร์ลอฮูลลกุมสุเจ้าไม่ชอบหรือที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แกสุเจ้าเมื่อท่านอบูบักได้ยินนะท่านรีบกล่าวเลยว่าวัลลอขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนีอูฮิบุแท้จริงเนี่ยฉันชอบอายะฟิร์ลอฮุลีที่จะให้อัลลอฮ์นั้นอภัยโทษให้แก่ฉัน ตัวลงว่าที่สาบาลว่าจะไม่ช่วยนะกลับมาช่วยไหมช่วยต่อไปในทัฟซิดอิบนุกซิดอธิบายบอกว่าช่วยมากกว่าเก่าอีกเพราะอัลลอสั่งเคยให้เดือนละมื่นให้สองมืนเลยอย่างนี้เป็นตัวนี่ใครนะท่านอบดุลภะรอจิลรอของอันอุเป็นบุคคลตัวอย่างรอพี่น้องเห็นยังครับแล้วก็ทำสาเร็จมาถามว่าบุญเกเสียหน้าไหม ไม่ได้เสียหนะ้าทีา่ไหนวันนี้กุอ่านยังชมดูเลยเพราะฉะนั้นเป็นน้องครับเดินตามคุรุอ่านเป็นคณะใหม่เป่าไม่เป็นนะเป็นวาบีบป่าไม่เป็น <c oughs> เดินตามซอบานอับีใช่ไหมแล้วก็เดินตามอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮฺเป็นอ้องอ่ะทีนี้ในตับซีกเนี่ยในภาษาอูรดูเนี่ยขาบอกว่ามารยาทที่งดงามเนี่ย ต้องเลือกเอามายาติของซอบานะบีมาปฏิบัติท่านพูดอย่างนี้แต่ค้อหลักบีอัคลากิ่นละเวลาจะเรียนแบบใครเนี่ยนะอย่าเรียนแบบฝรัง่งเรียนแบบใครเรียนแบบมารยาติของอัลลอฮ์ผ่านอัลกุรอานเื็นการเรียนแบบที่ดีที่สุดเห็นไหมตอนนี้พวกเราวันนี้เรียนแบบใครครับเยฮูดี ปนนานบีพูดเอาไว้อะใกล้ๆวันเกียร์มาคนทั้งโลกนี้จะเรียนแบบคนที่มาก่อนหนะ้าพวกท่านทีละคืบทีละคืบทีละศอกทีละศอกจนกระทั่งพวกเขาเดินเข้ารูแย่ก็เดินตามเข้าไปด้วยรูแย่ําอึดอัดนะเข้าได้สบายเลยเพราะฉะนั้นอย่าเดินตามคนยากูดีกับ น, นอสรลนีให้เดินตามใครนะเดินตามสุนนะนบีเดินตามอัคลากของอัลลอฮ เดินตามสุนนะนบีบรรดาอัลบาหนาบีเป็นแบบในการเอาอัคลากเรียนแบบอัคลากดีๆมาใช้ในชีวิตประจาวันโอ้จะทำดูเ ล, ล, ลยละพี่น้องมีสองสองตำ น, นในตัฟเซตอิบนกกซิดอธิอธบายบอกวา่าท่านอบูบักเมื่อได้ยินคำนี้นะอัลลอฮ์ตฮิบูนัยยักฟิรัลลอฮูละกุมสุเจ้าไม่ชอบหรือที่จะให้ AH อัลลอฮ์ส่งอภัยโทษแก่สุเจ้า ท่านอบูบักพอได้ยินคำมีพูดว่าไงนะอีสัมโนหนึ่งพูดว่าวะลอฮิอินนีอูฮิบุอายะฟิร์ลอหูดีอีสัมโนหนึ่งพูดว่าบัลลารับบานาอินนานูฮิบุบารบบนาอินนานฮิบุฉันชอบที่จะปฏิบัติตามอัลล์ุบฮานูตาลตลงว่าาอบบุคตัวอย่างกับพวกเราจริงๆนะในการ ให้อภ <them. S 1> ัยกับคนที่ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองพี่น้องอย่าไปเดินตามคนยัฮูดีนะโกรธแล้วโกรธเลย5ปี10ปีไม่ยอมคุยกันนะอย่าทำอย่างนั้นนะครับพี่น้องเอาต่อมาอายาทีจีสิบสามอินนัลลาฎีนยาร์มูนัลมุฮซันะติลกอฟิลัติลมุมินะต لوعنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم الله أكبر أيان ي ن ا ق و ا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الغافلات المؤمنات ลูก้งูใน الدنيا และอีกขั้นและมีการประทับใจที่นากลัวอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอูลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮ คนที่พูกปากฝักปำคนอื่นมีไหมมีครับเราเองก็เคยทําแต่ตอนนี้เลิกแล้วหยุดแล้วต่บ้านตัวแล้วไม่ทําแล้วนะครับนี่เอาเราเตือนนะใครก็ตามที่ปักปรำอัลม้วนสนัดหญิงบริสุทธิ์ม้วนสนัดแปลว่าหญิงที่บริสุทธิ์อัลลอฟิลาดหญิงที่ไม่รู้เรื่องอยู่กับบ้าน ดูแลสามีดูแลลูกดูแลอาหารดูแลเสื้อผ้าดูแลบ้านในสะอาดเรื่องข้างนอกไม่ค่อยรู้เรื่องคนในสมัยน บ, บีเขาอยู่กันแบบนี้แต่สมัยนี้พวกเรารู้หมดทุกเรื่องเรื่องข้างนอกก็รู้ดีออย่าไปรู้เรื่องเยอะๆนั่นเละฉะนั้นอัลลอฮ์ชมนะคนที่สายร้ายผู้หญิงที่บริสุทธิ์ผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่อง อัลมุม uh ินาสัตตีที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสามลักษณะใครที่ใส่ร้ายหรือปัดตามผู้หญิงหนึ่งหญิงที่บริสุทธิ์สองหญิงที่ไม่รู้เรื่องเรื่องดุลยาเยอะรู้เรื่องแต่อยู่ในบ้านอย่างเดียวทํางานจะให้ลูกเป็นมุมินทํางานจะให้สามีมีอีมานต่ออัลลอฮฺทำงานจะเลือกอาหารทางที่ฮาลานทํางานจะให้ลูกหลานที่อยู่ในบ้านท่องจำอัล ผู้หญิงนึกแต่เรื่องอย่างนี้นั่นผู้หญิงที่ไดนนะผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องของนอกเยอะในไปน้องใครผู้ชายคนใดหรือหญิงคนใดที่ไปปักปาผู้หญิงสามลักษณะนี้นะหนึ่งผู้บริสุทธิ์ผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องชั่วช้าอะไรได้ของนอกใช่ไหมถึงเต็นรําำไม่เป็นดูละครไม่เคยเป็นใช่ไหมสนใจจะเรื่องอิสลามอิสลามอย่างอิมาเรื่องอิมานเรื่องนะเรื่องสวรรค์ประจาเขาอ่ะมีไหมมีครับ อัลมูมินาตหญิงที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ใส่ใส่ความหรือปักปล้ำหญิงบริสุทธิ์สามรายการนี้ลู้ไอนูมาจากละนัดถูกแล้วครับถูกงดความเมตตาถูกสาบแช่งเอาภาษาพวกเรานะถูกสาบแช่งลู้ไอนูพวกเขาถูกสาบแช่ ง, ถ, ชงถูกงดความเมตตา อ้าวถ้าเอาล้อไม่เมตตาเหลืออะไรครับไม่เหลืออะไรเลยแต่ยังยังยังเป็นคนได้ไหมหยังเป็นคนได้ยังมีบ้านอยู่ยังมีรถอยู่ยังมีที่ดินอยู่ยังมีเหมือนคนทั่วทั่วไปแต่บราระกัดในชีวิตไม่มีแล้วเป็นแต่คนอย่างเดียวนะครับบรารกัดไม่มีถูกละนัด ถูกงดความเมตตากี่โลกครับฟิดุนยาวลอาคิรอทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิระเห็นยังครับคนที่สายราชหญิงอาอิชาเนะ่ยมีอยู่คนหนึ่งชื่อฮัสซานเป็นมุสลิมอลัลลอ์เล่นงานบนดุนยานี้ดูปไวไวตาบอดอลัลลอฮ์ให้ตาบอดนนางอาหิชาเห็นแล้วก็สงสารปล่อยปล่อยก็เล ย, ย, ยเห็นไหมไปนั่ง แต่ท่านคนที่เล่นงานคนวันนี้ใส่กลายคนวันนี้ฟิตนาคนวันนี้ปักแามคนเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้นึกว่าตัวเองรอดแล้วไม่รอดเอาล้อเล่นงานบางทีก็เล่นงานแบบซอฟๆเบาๆไม่รู้สึกตัวอย่างกินท่านึกว่า Allah รักกินอะด้ a l a h มันไส่อย่างนี้เป็นต้นนะครับลกอินูฟิลุญยาอัลอาคิราะถูกเล่นงานนึกว่าถูกงดความเมตตาทั้งดุลยาและอาคิราะ ว่าละหุมาจาบุนอริมและสำหรับเขาเหล่านั้นคือการอาญาบการลงโทษอาซีมแปลว่าเจ็บแสบหรือว่ายิ่งใหญ่วันเกียร์มารอดลลเล่นงานหนักๆแลวครับเล่นอะไยบนัญญาเนี่ยเล่นงานแบบซอฟๆ อ, อาคิเคอนนี่เล่นฮาร์ดเล ย, ยแรงเลยแาบบนี้เป็นต้นนะครับอายานี้กับอายาที่ผ่านมาอายาที่ 5, ห้าเรีต้องสังเกตดูสิ อายาที่5นะ้าะพูดอย่างนี้วัลลาดีนะยารมูนอายาที่5ของสุรานี้นะวัลลาดีนะยารมูนัลมุฮซนาแทจินบรรดาคนที่ปักปรรมผู้หญิงที่บริสุทธิ์ซุมมาลัมยะตูบิอัลบาอัตชุฮะดะแล้วก็ไม่นำพยานสี่คนมายืนยันเขาจะต้องถูกโบยถูกเคี่ยน80ทีแล้วก็อย่ารับ ให้เป็นอะไรนะเป็นพยานในกมลิกาเนี่ยเป็นพยานไม่ได้คนนี้นั่งเฉยๆได้ห้ามเป็นพยานอย่ารับการเป็นพยานของเขาตลอดไปเขาเป็นคนชั่วนอกจากเขา เ, าเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก็ยอมรับกันได้แต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งรับไม่ได้คือไม่ให้เป็นพยานส่วนอาย่านี้อธิบายว่าทําความชั่วแล้วปรับปรําผู้หญิงบริสุทธิ์ ผู้หญิงไม่รู้เรื่องผู้หญิงทื่อสาต่อเลาะแล้วดันทุรังไม่ยอมกลับเนื้อกอบตัวอายานี้อโลสาบแช่งอโลละละนัดอายาแรกอายาที่ห้ของสุรนี้ทําความผิดแล้วตบ้าตัวดีไหมดีส่วนอายานี้ทําความผิดแล้วไม่ตบ้าตัวตอเลาะนะ่ะดันทุรังถามว่าอายานี้มีคนทําแบบนี้มีไหมที่ใดยังไม่ใช่อยู่วันนี้ยมีครับ พูดเลยประเทศอิหร่านทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องสีอาร์เราเนี่ยด่าเยิงไอชาอยู่เนี่ยผมรู้ได้ไงเพราะมีเพื่อนอยู่สี่ห้าคนอยู่ที่ดูไบแล้วก็มาก็มามาหาพวกก็นั่งคุยกันบางทีก็ส่งไลน์มาเล่าให้ฟังวนตอนนี้ไอชาถูกด่าออกทีวีอยู่เนี่ยไอชาฟินนาร์ไอชาฟินนาร์อยู่ในกกนรกท่านพี่น้องครับคนที่ด่าเยิงไอชาอยู่วันนี้เนี่ยนะ แล้วไม่ยอมเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วก็พูดอยู่พูดอยู่นั้นแหละพูดพูดพู ด, พ, ดพูดด่าเขาด่าเขาอายะนี้ครับอัลลอฮ์ละนะตอัลลอฮ์ลลงดความเมตตากับคนที่ปรปักปรำหญิงสะอาดหญิงบริสุทธิ์กทั้งเรเรื่องมันผ่านมาแล้วหนึ่งพันสี่ร้อยปีก็ยังมีคนพูดใส่ความกันอยู่ท่านแล้วก็ไม่ยอมเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ละนะตอัลลอฮ์งดความเมตตา ทั้งดูมยาและอาเซอร์นะครับพี่น้องเรื่องหนักหน า, นาเพราะฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามพี่น้องถ้าหาเป็นมุสลิมด้วยกันถ้ามีคนฟิตนะรู้ข่าวว่าพี่น้องเราคนหนึ่งถูกถูกฟิตนะอย่าเพิ่งเชื่อนะโกหกให้คิดดีกับมุสลิมไปก่อนนี่อัลลอฮ์สอนให้คิดดีกับพี่น้องมุสลิมไว้ก่อนอย่าไปเดินตามคนตะวันตก อย่าไปเดินตามนักข่าวมาซื้อพิมพ์อ่ะใช่หไหมเล่นสกรปรกกันหมดเลยเน่ะวันนี้เดินตามโดยตะวันตัวกันพี่น้องจะนั้นพยายามเอาคุรา น, นี่ยมาได้รนะมากำกับชีวิตกับตัวเราโอ้อละ่ะคำดีๆเลยพี่น้องทีนี้การใส่ปัดปร๊มเนี่ยพี่น้องปัดปั๊มคนเนี่ยเป็นเรื่องเลวมากนะเราต้องปกป้องไม่ให้ปัดปั๊มไทยต้องปกป้องพี่น้องเวลา คนอื่นถูกปักปั๊มต้องนึกถึงตัวเราด้วยนะครับให้มาเปรียบเทียบกับตัวเราถ้าเราอยู่ในสถานะแบบนี้เป็นยังไงต้องนึกนี่เรา Allah สั่งนะให้เรานะให้เราปกป้องพิวหนังมุสลิมด้วยกันก่อนนะครับท่านนาบีสอนอย่างนี้เป็นหะดีษของของอิหม่ามบุคคลีละมุสลิมนะครับมีอยู่มันเจ็ดข้อด้วยกัน ท่านอับดุลเลาะห์สุดยุุตลอห์หวานรู้ได้รายงานบอกว่าอิจต้านีบุษบอัลมูบีกอดจงออกห่างเรื่องเจ็ดรายการที่ทําให้ตัวเองต้องพินาเจดรายการไปน้องเซวซเว่บะซาบมีเจดเจ็ดรายการสวาบ่าถามนบีว่าเจ็ดรายการนั้นคืออะไรรายการที่หนึ่งนบีสอนนะอัชชิกูบิลละอย่าตั้งพาคีกับอัลลอฮฺ ไปหาตัวตะเกียตัวระยองเนี่ยเพลิดชริกอย่างแรงผ้าเขียวผ้าแดงตะกงตะกุดอารมณ์ อ, อาเซมาดทิ้งให้หมดสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์นกร้องแขคขกตอนกลางคืนอ๋อเขามีคนตายอากิต้าพิททั้งหมดจึงจกทักไม่กล้าออกกันนัง่งก่องรออีกชั่วโมงนึงนี่เป็นอากิต้าที่ชริกทั้งหมดเลยนะครับจะตั้นทิ้งให้หมดเรื่องเรื่องเรื่อ ง, รองชริกเรื่องที่สอง สยศาสตร์อเซฮโรไปดูมงดูหมอจะแต่งงานลกูกอัลลอฮฺแทนที่จะเรียนกุณอาเรียนทัดีส่วมารยาจจันนบีสอนอยังไงต้องไปดูหมออ่หมอว่างานแต่งได้ไหมวันนี้วันจันทร์วันอังคารหมอว่าได้เป็นกางเก้าโมงเก้านาทีเดินทางคนปรกันวนหมดเลยบ้านมุสลิมมีไหมก็ขออุดมอัต่อฮ์ร้องให้เลิกให้หมดนะครับเรื่องที่สามนะครับกัตลุล น, นับสิทำลาตัวเอง หรือทำลายใครก็ได้ฆ่าคนทำลายคนอย่าไปทำเรื่องที่สามเรื่องที่4ีกินดอกเบีย้ยเรานี่นะไม่กินดอกเบีย้ยนั้นจ่ายอากาศอีกหนักไหมมีราวันตอบแทนจกักรวรรดินีหลายคนนะจ่ายจ่ายอกาศโทรศัพท์มาเล่าว่าอลออ๋อเพิ่มรีสกีเพิ่มขึ้น <laughs> เพราะจ่ายอากาศแล้วรีสกีมันเพิ่ม อัลลอฮอักบารไปนะบางคนฉันมาจะจ่ายมาสิบปีมีไหมมีครับเพิ่มมาฟังาศาสนาทำงานจัะมีแบบมีย้อนสิบปีเนี่ยโอโ้โหหลายแสนนะเห่ไหมมีไหมมีครับคนที่ตะบะตัวต่อเลาะสุพารณหัวตะาลาต่อมากับข้อที่ห้าอย่ากินเงินเด็กกำพรา้าอัลลอฮอักบารแม่ไม่เด็กกำพร้าเนี่ยห้ามกินนะเรามีหน้าที่จัดสรรให้ ข้อที่หกอย่าหนีจากสงครามเห็นไหมอิสลามสอนให้เรากล้าหานอัลลอฮฺอักบารุน้องข้อที่เจ็ดนี่เนี่ยใส่ร้ายผู้หญิงที่บริสุทธิ์ปับปัมผู้หญิงที่บริสุทธิ์มุมมีนะผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องดุนยาเยอะกลับไปด่าเขาอะไรเช่หญิงอาชานี่ถูกด่าจากข้าใหะจากพวกมูนาฟิกเป็นต้นมอยุ่ิเจรายการนะครับอย่าทำ ที่นาทับเสกอธิบายว่าวันนี้ใครก็ตามถ้ายังด่าท่านหญิงไอชาอยู่ฟอินนาฮูกาฟิรุนเขาเป็นคนกาเฟอรโอ้โหหนัก ม, นนามากไปเนาะมันอัลละมัทั้งหมดนะครับรวมตัวการมีความเห็นตรงกันว่าคนที่ท่านด่าท่านหญิงไอชาเราเดีย๋ยวรอวอันคนนั้นเป็นคนกาเฟอร เพราะทำตัวค้านกับอัลกุรอานเพราะกุรอานประทานลงมาสิบอายะรับรองความสะอาดบริสุทธิ์ของท่านหญิงอาิชะรดิยัลลอฮุานต่อมาอายะที่ยี่สิบสยสี่ต้องการจะอธิบายว่ามีอยู่ห้ารายการเป็นพยานต่ออัลลอในวันเตียมห้ารายการ หารายการมีอะไรบ้างหนึ่งลิ้นเทา้าสองอันสองมือสองอันสี่ลิ้นอันหนึง่งห้าห้ารายการนี้เป็นพยานต่ออัลละฮ์ขานตัวเราเองโอ้นี่มือเราเนี่เป็นพยานขานแกอัลลอฮ์นเะนะเป็นพยานนะว่าฉันทำฉันจับฉันขโมยมือสองข้างอีกสองนะ ท่าอสองเป็นสปากอันหนึ่งเป็นห้าห้าใจการเป็นพยานหนักไหมฉะนั้นความนี้ความดีที่เราทาไว้ถูกริคอร์ดหมดถูกริคอร์ดหมดนะอ่านดูกุรานย่อมจล شهد علىهم ألسنتهم وأيديهم وأرجولهم بما كانوا a ะทำลุ่นยามาต์จะเห็นุ่ง عليهم ัลสินะัลสินะท่าหุมว่าอีดิหิมัลสินะตุ ยามทัชช s ดุอาลัยหิม i ั a n ินัตุหุมว่าอิดิหิมว่ารจูลหุมบีมะคานุยามลุนอัลล l ฮฺไปน้องอ่านคัมภีร์แล้วกลัวนะเอามาดูดูดูคัมภีร์นะยามวันวันไหนรู้ไหมวันเนจะ วันพรุ่งนี้หมายถึงวันเกียร์มาและทาไมอัลลอฮฺว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเกียร์มาเพื่อจะสอนให้คนอ่านกุ่อ่านเข้าใจว่าโลกดุนยาเนี้สั้นวันนี้อาจจะวันเกียร์มาก็ได้เนีไม่รู้นะท่า น, นพรุ่งนี้วันเกียร์มาแล้ววันอะไรวันตั้งดูนับซุมมากรดดามัดลิกด ต้เตรียมตัวให้ไม่พร้อมเผื่อวันพรุ่งนี้เห็นไหมวันพรุ่งนี้ Tomorrow. ถุงมือรั่วแสดงว่าโุนยานี่แค่สองสามชั่วโมงเองเรื่องนยานี่มันสั้นกุอ่านสอนให้เราคิดในเะรื่องพรอัลลอฮฺพูดในกะฟกรลกุ้งอ่านไว้แต่ละคํามีความหมายหมดเลยครับเยา้าแบอบกว่าวันนั้นมาถึงวันวันนั้นนะวันเกี่ยมาตัชฮาดูเป็นพยานจะเป็นพยาน อะไรเข้มขานต่อพวกเขาเองอะไรมาคานกับอัลซินาตูมลิ้นของพวกเขาอัลซินลิซานแปลว่าลิ้นทั้งลิ้นของพวกเขาเองหนึ่งว่าไอดีหิมและมือยาดุนแปลว่ามือไอดีหิมมือของเขาทั้งหมดจะเป็นพยานอ้าวละมือมีกี่ข้าง สองอุลมะนัมบนเลยนะนี่สองแล้วนะลิ้นหนึ่งสามัวารยูลูมและเท้าเท่าไหรอสองเป็นห้าต้องอ่านเองบางทีเรากมไม่เข้าใจพอไ่เจอตำสิดอัเาอธิบายละเอีย ด, ดยิบโดยคนรุ่นก่อนจะลง่ามีอยู่ห้ารายการหนึ่งลิ้นสองสองมือมือสองใช่ไหม เา้อีกสองเป็นสี่ลิ้นห้าห้ารายการเป็นพยานในวันเปียมามือพูดได้เห็นไหมพี่น้องเท้าก็พูดได้มือพูดได้เท้าพูดได้ลิ้นก็พูดด้วยนั้นสารภาพผิดอันยอมรับผิดแล้วเพราอมือมันพูดแล้วเนี่ยเท้าเป็นพยานแล้วเรียบร้อยปากอยู่ไม่ได้บางทีอรรถก็ปิดปากเองพูดเยอะมาแล้วขอปิดให้มือกับเท้าพูดในวันเปียมาเป็น้องเห็นยังครับ ฉะนนวันนี้นะนอกจากมือเท้าพูดได้กุรานก็พูดได้เรามาดอนพูดได้นี่คือว่าถือบวชนี่เรามาดอนพูดกับล้อล้อจ้าอภัยเต้นให้คนที่ถือบวชเขาบวชชั้นเนี่ยไม่กินนู่นไม่กินนี่ในเวลากลางวันกุรานก็พูดได้เขาอ่านชั้นเนี่ยไม่ทําะไรเลยอ่านตะกุร า, านกุ่านพูดกับล้อกัะนั้นมือพูดได้ เท้าพูดได้คุณอ่านพูดได้เรมามารอนพูดได้ในวันเกียิดเราเชื่อครับเราเชื่อเลยนี่น่ะพอเชื่ออลัลลอ์สิ่งเหล่านี้เพราะอิมานมันเพิ่มนะบีมาการูยามาลูนตามที่วูเขาได้ประกอบเอาไว้อัลลอฮ์อักบัตเราทำอะไรไว้วันนี้นะครับมือพูดเท้าพูดลิ้นพูดหมดเลยกับพิรอดตลอยอายดท้าย يومئذ ي ُ و ف ّ ي ه ِ م اللَّهُ دِينَهُمُ ا ل ْ ح َ ق ّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ يَوْمَئِذٍ ي ُ و ف ِّ ي ه ِ م اللَّهُ دِينَهُمُ ا ل ْ ح َ ق ّ วิ่งเร็วมาก ดินเดิมแปลว่าศาสนาแต่ตรงนี้แปลว่าะนะวันแห่งการตอบแทนอัลฮักก็เป็นความจริงเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไปเนะาะไม่ใช่เรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงทั้งหมดตาแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วตัวต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์แล้วก็ได้รับรางวาัลครบบริบูรณ์ตามที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้ครบบริบูรณ์คนกาเฟก็ถูกลงโทษคนมุหมินก็ได้สวรรค์ตอบแทนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับ วายาอัลเมูนและพวกเขาจะได้รู้อันอัลลอฮะแท้จริงอัลลอ์นั้นฮุวันฮักกุอัลลอ์เป็นผู้ทรงสัจจะรักษาสัจจะอัลลอฮ์นะไม่เรื่องโกหกไม่มีเลยฉะนั้นคุณอ่านเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและสัญญาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่มีเรื่องโกหกไม่มีเลยต่อมาครับ อัลมมบีนอัลลอฮ์ทรงเปิดเผยคือใครทําความผิดอะไรไว้วันนั้นอัลลอฮ์จะเปิดให้เห็นหมดเลยไปน้ อ, นองของที่เราทําอยู่คนเดียวคนเดียวนะไม่มีใครเห็นนะอัลลอฮ์จะเปิดเผยในวันเกียรติเห็นหมดเลยไปน้ อ, นองอ้าวถ้าเป็นความชั่วแล้วมันก็อายถ้าเป็นความดีก็เพื่มใจใช่ไหมนะ่ะถ้าเป็นเรื่องชั่วๆ อ, อัลลอฮ์เราเออ อ, อ, อย่าเปิดนะอย่าเผยเลย นนี้เป็นต้นฉนั้นถ้าเปิดเผื่องดีดีไหมดีอิบนอั บ, บาสลุงนบีเล่าอินดีหนึ่งเพื่อเป็นความให้อิมานมันเพิ่มเป็นศัตรูกับนบียังไม่รับอิสลามไปออกทําสงครามกับท่านนาบีและสงครามนั้นเป็นสงครามที่ลุงแพ้บาดักนี่มีมุสลิมเท่าไหร่นะสามรอยศัตรูหนึ่งพันสารอกับ พันหนึ่งหลมันแพ้อยู่แล้วแต่มุสลิมชนะเสร็จแล้วก็ลุงถูกจับก็ต้องไถยตัวต้องเอาเงินมาไถยตัวเป็นอิสระพอลุงเข้าไปคุยกับมบุฮัมมัดนบีสอลต่านบอกมุฮัมมัดได้ล้ะนี่ยเงินลุงไม่มีนบีก็บอกว่าอะะตอนที่ลุง ก, ก่อนจะออกจาก บ, บ้านเนี่ยเงินถุงหนึ่งเอาไปฝากภรรยาไว้ในห้องําให้เอาออกมาละ ลุงถามไอ้รู้ได้ไงอัลลอฮ์เล่ากันฟังหมดแล้วเลยรับอิสลามเงียบๆมาหมัดเอ้รู้รับอิสลามแล้วยอมแล้วว่าอัลลอฮ์มีจริงที่แรกไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีไงพอนบีแฉปั๊บเนี่ยโอย้ตายจริงมัดมันมร่วงหมดเลยอเงิ่นที่ฝากเมียไว้อยู่ในถุงจะมาไม่เขาออกมารู้ได้ไงอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วยอมรับอิสลามอย่างนี้ไปต้นท่านเป็นปน้องกับอัลลอฮ์ มีจริงอัลลอฮ์ไม่นอนอัลลอฮ์ไม่ง่วงนอนอัลลอฮ์บริหารเราทุกขณะเช่นวันนี้รวยนะผู้นี้ให้รวยมากกว่า น, นี้นิดหนึ่งผู้ น, นี้สูงมากลงมานิดหนึ่งเพรมันต่ำ น, น้อนบริหารโดยอัลลอฮ์สุภ า, าอุนวดนาลาผูนี้รูปหล่อนะครับมันสวยไม่นิดนึ่งผู น, น, นี้แย่กว่าผมตายเลยอัลลอฮ์บริหารจัดการหมดแต่เพียงผู้เดียวไม่มีที่ปรึกษาไม่มีองคมนตร่ นี่ไงอัลลอฮ์สุภาพน้าเราจะได้เพอ่านคุอานแล้อิมานเพิ่มไหมเพิ่มเอาละครับวันนี้หมเวลาับุบากัลลอฮฮัอัลอลฮอลลัลอัอััลัลอลัลลอฮฮ